ตั้งใจสํารวมใจข้างทนให้แน่วแน่การสํารวมใจนีนะ่เป็นความดีพอตั้งแตกไหนจะ่ไรมาเราไม่เคยสํารวมใจให้แน่วแน่มีแต่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปมันจึงเป็นใจที่ไม่สงบประ ง, งับ ไม่นักแน่นเหตุต่างนั้นกิเลสมันจึงรบ ก, กวนเอาได้ตาเห็นรูปก็เกิดความกำหนัดยินดีในรูปนั้นหูได้เพียงเสียงจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้ลับรสกายได้ถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็กำหนัดยินดีไปในสัมผัสนั่นๆั้น ในี่ใจที่มันเลื่อนลอยใจไม่เข้มแข็งไม่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมมันยอมวันไหวไปทำอํานาจแห่งราคะโทสะโมหะได้ง่ายดังนั้นมันถึงเป็นทุกข์คนเรานะ่ะเมื่อใจวันไหวแล้วมันก็เป็นทุกข์แหละเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์เราเฝ้า ต้องไปแสวงหา嘛นี่การแสวงหานั้นไม่เช่มันได้มาง่ายๆไอ้สิ่งที่ตนชอบใจมันก็มีคนอื่นชอบอยู่ด้วยต่างคนต่างแย่งกันกระเจิงเกิดประหัตประหารกันขึ้นได้ถึงทึ่งความฉิบหายลงไปอันหมู่นี้ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรคิด ควรพิจารณาพระพุทธเจ้าทรงเปรียบกรมคุณนี้ไว้เหมือนยังสร้างโศกของสัตว์ที่ตายลงแล้วเขาอาทิ้งไว้บนดินบรรดาพวกแลงกาสุนักสุนักกิ้งจอกก็ยื้อแย่งกันกิน ตัวใดมีกำลังเหนือกว่าัวนั้นตัวนั้นก็ได้กินมากกว่าตัวใดมีกำลังน้อยก็ถูกเพื่องคมเห็งเอาได้กินแต่น้อยกว่าจะได้กินก็แสนยากแสนลำบากนี่ข้ออุปมานี่ฉันใดก็อย่างนั้นน่ะผู้บริโภคกรรมกุลนั้งหลายไม่ใช่มันจะราบลื่นไปทั้งหมด มันเกิดอุปสรรคขัดข้องมาบางอย่างมันก็ทำให้จิตใจนี่นะอ่อนแอท้อแท้เลื่อนลอยไปตามกิเลสนั่นนั่นมันจึงได้ประสบแต่ความทุกข์ผู้รู้เหตุปัจจัยมันอย่างนี้แล้วก็ต้องมาละที่เหตุไม่ใช่ไปละที่ผล ละที่เหตุคือความยินดีความพอใจในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละถ้าละความพอใจเสียได้ราคะธนามันก็สงบลงละความไม่พออกพอใจเสียได้ความโกรธความยาบาทมันก็สงบลงละความหลงความเมาเสียได้ ความรู้ความฉลาดก็เกิดขึ้นในใจรู้ความจริงของสังขารร่างกายนี่เป็นอย่างไรก็ตามรู้ตามเห็นอย่างนั้นพระองค์เปรียบเทียบไว้มีอยู่มากมายเพราะบางคนมันก็มองไม่เห็นความจริงของร่างกายนี้ มีบุรุษผู้หนึ่งเดินทางไปไปเจอบ้านหลังหนึ่งเมื่อเปิดประตูเข้าไปดูว่างเปล่าบ้านหลังนั้นไม่มีสมบัติอะไรเหลืออยู่แม้แต่น้อยเดียวแต่บ้านหลังนั้นมีหน้าต่างอยู่เก้าป่อง มีประตูอยู่ทางเข้าทางหนึ่งเก้าปองได้แก่ทวารทางเก้านั่นเองประตูนั้นได้แก่ปากนี้แหละจิตใจมันก็เข้าออกเข้าออกอยู่นี้เองนะการที่มองเข้าไปในเรือนหลังนั้นเห็นมันว่างไม่มีผู้มีคนไม่มีสมบัติอะไรเปรียบได้โยคาวจรเจ้าทั้งหลาย เจริญสมาธิทําใจสงบแล้ว ม, มาเพ่งดูร่างกายอันนี้เห็นแต่ของว่างของเปล่าจากสัตว์จากบุคคลไม่มีตัวตนอยู่ที่ไหนเลยสักหน่อยเดียวอ น, นั้นก็ธาตุดินนี่ก็ธาตุน้านั่นก็ธาตุไฟนั่นก็ธาตุลมอันช่องว่างต่างๆเช่นช่องหูช่องจมูกเป็นตน้น เหล่านี้ก็เป็นอากาศธาตุช่องว่างอันนั้นก็เป็นอากาศธาตุความรู้สึกทั่วร่างกายสังขารนี่ก็เป็นวิญญาณธาตุทุกอย่างมีแต่เฉพาะว่าธาตุทั้งนั้นเมื่อเราเพ่งดูด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนี้เลย แต่คนส่วนมากมันไม่ต้องไม่มันขาดความเพียรมันไม่พยายามเพ่งดูมัวเมาประมาทอย่างว่านั่นแหละไม่ได้เพ่เพงดูความจริงของร่างกายเพรเหตุนั้นมาจึงติดจึงคล่องอยู่ในร่างกายนี้มันจึงไม่ภาคเพียรพยายามปรองวาง เมื่อวันยึดมั่นอยู่ในร่างกายอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นของตนเรามันก็เกิดกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดขึ้นมาในใจเพราะมันอยากให้ร่างกายนี้ยัง่งอยู่ยั่งยืนนานอยากให้ร่างกายนี้ได้สัมผัสกินของอ่อนนุ่มนิ่มของสนุกสนานสรตพัสแหละ ไอ้ความอยากเนี่ยมันอยากให้ร่างกายนี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันถึงมีความทุกข์นั่นแหละเพราะความอยากเนี่ยเป็นมูลเหตุผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานต้องรู้อย่าปล่อยให้จิตใจมันหลงไหลไปตามสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนั้น ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาบ่อยๆนะถ้าไม่พิจารณาบ่อยมันก็หลงเปง็นย่งนั้นดังนั้นให้พิจารณาบ่อยๆบุรีกะโตพิจารณาให้มากทำให้มากก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเห็นจริงเพื่อความหลุดพน้น เพื่อความชินไปแห่งราคะโดยประการทั้งปวงนี่ันตามพุทธภาสิตนี้บุคคลจะสิ้นจากทุกข์จะละเหตุแห่งทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรความพยายามเมื่อมองเห็นว่ากิเลสนี่มันไม่ใช่ของดีมันลบควรจิตใจใเป็นทุกข์เดือดร้อน ไปในสงสารไม่มีสิ้นสุดถ้าผู้ใดยังยอมเป็นธาแตแห่งตัณหาอยู่ตราบใดผู้นั้นก็ย่อมเวกเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารในเป็นวงกลมทุกแล้วทุกอีกอยู่อย่างนั้นแหละหาความสุขไม่ได้เลยเหตุที่คนเราจะยอมทุกข์ก็เพราะตัณหาแหละมันยอมใจ มันให้เกิดความก้าลยินดีอย่างแรงกล้าขึ้นมาแล้วมันยอมทุกสิ่งทุกอย่างเลยวันนี้ทุกอย่างไงก็แล้วแต่มันนั่นแหละบางคนปล่อยตันหาครองมงามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแม่รู้อยู่ว่าทางนี้เป็นทางไปสู่ทุกอย่างนี้มันก็ไม่ไม่หยุดมันก็ยอมจะไปตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างไรก็ยอม นี่แหละบุคคลผู้เป็นทาสแห่งตัณหามันจึงได้ไปเออัดกันอยู่ในนรกเหมือนกับข้าวสารยัดไทยฉันเป็นอย่างนั้นชีวิตของมนุษย์ผู้ยังตกเป็นทาสแห่งกิเลสตัณหาอยู่เนี่ยบางคราวทำดีครบนักปลาดบัณฑิตไปเพียรละความชั่ว ออกจากตัวให้ได้ทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนกรรมบุญกรรมอะ้รมันก็ให้ผลให้ไปเกิดที่สุขสบายก็ได้รับความสุขสบายไปชั่วระยะหนึ่งแต่ความสบายอันนั้นไม่ไมแน่นอนเมื่อหมดเหตหมดเหตุปัจจัยของามันแล้วมันก็ดับไปความทุกข์ก็เกิดมาแทน อย่างนี้แล้วนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงไม่คล่องอยู่ในความสุขชั่วคราวมุ่งสแสวงหาสันติสุขอันเป็นความสุขที่เกิดจากความสมงบระงับก่เลสตัณหาน่อใหญ่ทางปวงอันนั้นเป็นความสุข บ, บริสุดทธ์สดใสจริงๆเป็นความสุขที่ไม่เจออยู่ด้วยทุกข์ ดังนั้นพุทธครณศัสตร์ทั้งหลายควรแสวงหาความสุขอันไม่ได้เจืออยู่ด้วยทุกข์นั่นแหละมันจะเป็นความสุขล้ว น, วนมันไม่ได้มีความเศร้าใจในภายหลังบุคคลติดอยู่ในความสุขชั่วคราวเวลาสิ่งที่ให้เกิดความสุขนั้นมันวิบัติไป ไม่ได้สมหวังความสุขนั้นมันก็หายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนเป็นอยู่อย่างนี้และชีวิตของบุทุชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลสตัณหาควรจะตื่นตัวกันไม่ใช่ว่าเราจะกลับจิตใจไม่ได้แม้ว่าผู้จะตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหามาก่อน เมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้ตัวก็ยังไม่สายเกินไปยังมีหนทางที่จะต้องฝึ ก, กจิตใจนี่ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีได้อยู่เพราะว่าเมื่อลมหายใจยังมีอยู่มันก็มีความคิดความนึกได้มีการกระทำ ทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่การทำความดีน่ะนะถ้ารม่มหายใจหมดเมื่อใดนะ่มันถึงไม่ได้ทำต้องให้ตั้งใจลงอย่างนี้ทุกคนเมื่อเราตั้งใจให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเหมือนก็เป็นไปเพื่อความสุขความสบายเป็นความสุขอันสดใสไม่อิงอาศัยสิ่งใด ในโลกใ น, นในการที่พระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกเจริญสมถะวิปัสนาก็เพื่อสอนจิตนี่แหละให้เห็นโทษแห่งขันธ์ห้าให้ปรงให้วางขันธ์ห้าจิตนี้มันมันถูกพันอยู่กับขันธ์ห้านี่มานานเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาเสียบแหลมจริง มาสอนจิตนี่มันก็ไม่เห็นโทษเร่งขันธ์หน้าอย่างที่ว่ามานั่นแหละมันก็ไม่ยอมปรงไม่ยอมวางบางคนนะถ้าได้ฟังเทศเรื่องขันธ์หน้าเรื่องปล่อยวางขันธ์หน้าน ล, ลุกหนีเลยไม่ชอบใจนั่นไม่สนใจเลยโดยมันมองเห็นว่า ถ้าปล่อยถ้าวางขันห้านีแล้วจะไปอิงอาศัยสิ่งใดมันถึงจะมีความสุขได้มองไม่เห็นทางเหตุนั้นแหละถึงไม่สนใจฟังเลยโสนใจในการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งขันห้าอันนี้แสดงว่าผู้นั้นฟังธรรมเข้าใจธรรมเข้าใจธรรมะมเมื่อเข้าใจแล้วลงมือทาเลย พอทุกสิ่งทุกอย่างยอมสำเร็จด้วยการกระทาไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันสำเร็จไปเองไม่ใช่มันสำเร็จได้ด้วยการกระทาอุบายแยบคลายในใจส่วนร่างกายนี่มันไม่รู้อะไรหรอกไม่สนใจอะไรเพราะมันเป็นแต่เพียงสภาวธาตมเท่านั้นจิตใจนี่แหละจะเป็นผู้ ละกิเลสก็ดีเป็นผู้รู้เท่าขันหน้าตามเป็นจริงก็ดีกระจิต ด, ดวงเดียวนี่แหละความรู้สึกนึกคิดนี่แหละดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกให้ฝึกใจให้มันตั้งมัน่นแล้วเกิดปัญญาแล้วมันจะมองไปตามสภาพความเป็นจริงได้ถ้าใจยังวอกแวกวันไว้ไปตามอำนาจของกิเลสอยู่ กิเลสมันจะบันดาลไม่ให้ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมาเพ่งดูร่างกายสังขาร น, นี่กิเลสมันจะกันท่าไว้เลยมีแต่มันปลอบมันจูงใจให้เพลินไปตามกระแสของโลกอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งคือหนึ่งมันสวนึกมาถึงร่างกายนี่แทบจะไม่มีเลย หรือวันหนึ่งคืนหนึ่งอันจะเอาสติเข้ามากรวดการดูจิตความคิดความนึกของตนอันนี้มันก็ไม่ค่อยมีเรียกว่าปล่อยตนให้อยู่ตามยถากรรมเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะหลุดพ้นจากขันห้าไปได้อย่างไรขันห้านี้อุปมาเหมือนยังกรงขังนกกรทาหรือนกเขา นกกระทากับนกเขานมีนิสัยต่างกันนกเขานั้นได้กินอาหารดีแล้วก็มีตั้งแต่้องลำทำเพลงให้เจ้าของฟังหรือไม่ในทันก น, นอนเฉยอยู่ไม่วขวนขวายว่าจะออกจากกรงนั้นเลยส่วนนกกระทานั้นน่ะถึงแม้ใครจะจับมาเลี้ยงให้อยู่ดีกินดี ร่วงมาแล้วเป็นหลายปีก็าตามแต่มันกินอิ่มแล้วมันก็วนเวียนที่จะออกจากกรงอยู่อย่างนั้นแหละไม่ถอยพอมันเห็นตากรงนั้นหลวมตัวมันเมื่อใดมันก็บินหนีเมื่อนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเราต้องมีปัญญาทั้งหลายเมื่อใดภาวนาเข้า ใจสงบแล้วมองเห็นขันห่านี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนเป็นของคับแคบทำให้อึดอัดใจมากกันมาอาศัยอยู่ในขันห่านนี้นะนักปราชทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงได้ทำความเพียรทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมาเพ่งพิจารณาดูขันห่านนี่ มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันเป็นของเราหรือไม่ใช่ของเราเพ่งดูอยู่อย่างนั้นเขียงโย่บางคนก็รู้ได้และตามตำราแล้วก็รู้ได้นั่นแหละรู้แต่ภายนอกภายในจิตใจยังไม่รับรู้ ต่อเมื่อน้อมจิตเข้าไปมันสงบระ ง, งับลงไปเป็นหนึ่งแล้วจึงใช้ปัญญาหยิบจกขันธ์นั้นมาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อปัญญามันสอดส่องมองเห็นอย่างนั้นแล้วลจิตก็เห็นด้วยจึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็พิจารณาเหตุถึงเหตุถึงผลของขันธ์ห้า มันเกิดมาได้อย่างไรเมื่อพิจารณาไปก็เห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นว่าบุญและบาปแลยนำมาตกแต่งให้เกิดเป็นขันห้าขึ้นอันเป็นขันห้าของเป็นมนุษย์นี่เป็นบุญอันนี้นะไม่ใช่บาปแถวาบางคนก็มีบาปติดตามมาอย่างเคยพูดให้ฟังบ่อยๆทำให้เกิดขึ้นมาแล้วพิคนพิการเมืองต่างหน้า นั่นล่ะเรียกว่าบาปมันตามมาตกแต่งให้คันบุญตกแต่งให้นั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างไม่ผิดปกติก็เราเห็นกันอยู่ดาาตื่นอย่างนี้แหละนักปราชญ์ทั้งหลายท่านภาวนาพิจารณาเห็นขันห่าโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาโดยความเป็นของไม่สวยไม่งาม มีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมีสันฐานคือรูปร่างก็ไม่น่ารักใครพึงใจเหล่านี้แหละปัญญามันย่อมมองเห็นได้ชัดๆเลยแม้จะได้สัมผัสก็สัมผัสเป็นที่ไม่น่ายินดีพอใจพอเดียวก็สัมผัสร้อนเดียวก็สัมผัสสัมผัสกับความหนาวเดียวก็สัมผัสกับความเจ็บปวด อวัยวะตรงโน้นตรงนี้เอาต้องบีบต้องนวดต้องหายามาทาต้องรับประทานยาเข้าไปตามหมอสั่งบางทีมันก็สงบระงับไปได้ถ้ายามันแรงแรงกว่าโรคมันก็ทําให้โรคนั้นสงบไปถ้าโรคมันมีกําลังกล้ากว่ายายาก็ทําอะไรไม่ได้ มันก็ไม่หายมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะอย่าไปโอนแอเมื่อผู้มีศรัท ธ, ธาแล้วตั้งใจฝึกตนให้เป็นไปตามคำสอนของพระเจ้าดังพรนนามานี้นะแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากทุกภัยในวตาสงสารได้โดยไม่ท่องเที่ยวอยู่ได้นาน